มาในโพลูกสาวที่มรณะภาพไปในกัถามพระพนเมื่อกี้นะว่าอายุเพียง44ปีเกิดปี08ปี08กับปีหลวงพ่อบวชเป็นพระน่ะเนี่ยแหละหลวงพ่อบวชเป็นพระปี08ลูกหลานเนี่ยแล้วบวชเป็นเน่นอีกปี2 5 0 0 2 5 0 0หลวงพ่อบวชเป็นสมณ น, นปี08 2,808 หลวงพอบวชเป็นพระแต่ก็44 44ผาพันษาเนี่ยกาลัางฆ่าอยู่ในเนี้ยแหละยังวันน่านพอสมควรยังวันลูกหลานเกิดมาเนี่ยเกิดเกิดที่หลังเกิดที่หลังหลวงพอบวชวันไปหลวงพอบวชเป็นพระเนี่ยปี08เนีแต่ก็มาดวนมรณภาพมาดวนตายไปแล้วเผาหมู่ว่านเนี่ย ถ้าคิดว่าตายเป็นอย่างก็ยัง้าท่านหูสาเหตุที่แน่นอนอาจจะถึงคร่าวนะวะทั้งโลกฉีนูด้วยทั้งโรคอาจจะเป็นวัดสองพันเก่าทยท่านสมัยเขาอีกกระโุหัวไปมันมารุมมาตุ่มเข้าไปไง่ะคนที่ตายเป็นท่ทานน่ะคนที่ตายมันมีแต่แน่าซ้ำเละ แลวถึงกโลกนั้นซ้าแล้วโลกนี้ซ้าเข้าไปผลในชุดมันก็เลยตายนี่แหละคนทีตายเป็นขนาดล่ะคนโบราณเขยังเปรียบเทียบว่าร่างกายของเห่านี่ยคือกายยนครกายยนครคือนครของกายเหมือนกับเป็นเมืองนึงคนไปเป็นอุปมาอุปไม้อุปมาอุปไม้ว่าร่างกายของเห่านี่ยเป็นเหมือนกับเมืองเมืองนึง พญาจิตตลาดเป็นผูกข้องเมืองผูกข้องเมืองคือพญาจิตตลาดคือใจข้องเมืองกายยนครปกป้องทุกวิถีทางรักษาเมืองของตั ว, ตวเองหิวเข่าหาอาหารให้กินพักพ่อนนันแปลว่าปกป้องประเทศของเจ้าของยางเข็มงวดกวดขันไปแต่ก็มีพยา มัจจุราชพญาธิพญ า, ามัจจุราชวนลงไปเป็นผูกแข่งอีกชื่อกันที่จะมาแย่งชิงติงตีเอากุ้งขายยนคอนวนลงไปพญามัจจุราชจะส่ทงทหารเขมาม่าพอส่งมหาทหารเขาม่าทหารพญาธิวนลงไปเจ็บใครได้ป่วยนี่ะพญาธิวนไปพญาจิตราชเนี่ยจส่งพระทหารมโหสถวนไป ไปสกัดทนไปตีกันไปตีกันมากอยู่เนี่ยเราไปเนี่ในร่างกายของเฮ้าเนี่ยผลที่ชุดก็นี่ยแหละลงเอ่ยพยาบาทจุฬาทนไปพยาบัทจุฬากระชากหลักไปเลยพญยาจิตตลาดจูบอะดรในร่างกายแตกกระจุยกระจายไปออกจากนี้แหละไปหาสร้างกายยนครอนไม่อกีกทนไปกายยนครขึ้นมว่า พญาบัจโจราช ส, ส่งทหารเขาไปชิ่งใช่เอกออกไปนี่แหละโลกอันเนี้เป็นอยู่จังสี่คนไปเพราะนั่นพระพุทธเจ้าพนาโอ้ยน่าเบื่อจะทำยังไงจึงจะไม่ามาตายอีกนน่ะเกิดแล้วมอบว่าตายอีกที่เหตุจังใดนี่เราเพิ่งไปค้นคว้าศึกษาออกจากเวียงว่างบอบบอภัยคนไป ว่าบอกพระบิดาหรือบอกอคคมเหสีพิมพ่ายาโซทราหรือบอกเสนาอัมมัดผู้ใดผู้หนึ่งเขาก็ที่ว่าชิดทัศน์หนีไปบวชแล้วได้เขาปฏิตั้งทหารเว้นย่ามคนรักษาให้เข้มง ว, วดขวดขันมันออกไปเพิ่นเลยบอกบอกไปที่ว่าขโมยหนีก็แมนขโมยหนีออกจากเวียงว่าง แต่ว่าผู้ที่เสียใจมากเลยคือ้ น, นี่ยหลงพอวานพิมพ์ภายาโสทลาเนี่ะแล้วก็พระเจ้าจุดโทษพระบิดาเพราะว่าพระเจ้าจุดโทษธนภพิดาเนี่ยไม้มันปั้นมือแลเกิดมาจะกให้ลูกหัวแก้วหัวแหวนของพระองค์เนี่ยเป็นผู้คล่องลาดพอว่าเป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่างสั่งสติทั้งปัญญาทั้งวิชาความรู้บอดยอนไพรยวนไปสิทธะนี่ย พร้อมที่จะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พวกโขนพวกพรามสมัยนั้นเขาก็ดูงวัวแห็งดูดวงโชคสตาร่าสีบอกว่าศิทธิฐานเนี่ยจะได้เป็นพระพุทธทเจ้าถ้าออกบวชนะจะได้เป็นพระพุทธทเจ้าตามตำราพรามคานาว่าคล่องราดเนี่ยทีได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน ขนาคร่องราดพระเจ้าจุโฑทนะพ้นกับไ ม, ม้หมันปั้นมือแหละทีให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ใ, ใดวันออกไปพระพุทธเจ้าพ้นโมหะจักว่าขึ้งหยั่งวันออกไปเพราะมันห ม, นมดยุคมัทสมัยได้เลยพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยพอ่อจุโฑใดแบบความยิ่งใหญ่คือจักรพรรดิขึ้งหยั่งเพราะเราพระเจ้าจุโฑธนะพระบิดาเนี่ยไม้หมันปั้นมืด อ, อยากจะให้สิทธะลูกชายของเพลนหัวแกะแก้วหัวแหวนของพนเพลนนี่ เป็นพระเจ้าแพ่นดิเนเพื่อจึงเลยทุกร้ำทุกวิถีทางเพื่อจะให้ลูกชายคลองราดแต่สิทธะเมื่ออายุตั้งแต่ให้ทายว่าอภิเษกสมรสตั้งแต่อายุสิบหปีกับนางพิมพ่ายโสทราจนคลองราดมา ก, กับมีความสุขเพิ่นก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยๆเยพิ่นกับดูแลประศกนิกรโดยเป็นถรมมาตลอด แต่ในจิตในใจของพระ อ, องค์น่ยบ่มีพดายสีมองเห็นใดว่าสิทธิฐานานี่คืดจังใดพ่นคล้องลาดกระจิงยุแต่ใจพ้นคืดโอ้คนทั้งหลายเนี่เกิดว่าเหน็ดจังไดตายมัดบ่มีพลายสิยูคำฝาปูยาตาถวดของเพินเนี่ยที่คร่องลาดมาก่อนเนี่ยไปใสทิมสมบัติไวในคงในคลังเต็มไปหมด บอมี่ผลไดออกไปได้นับนับเพิงแล้วแเจ็ดชั่วโคตรล่ะที่มาถึงเพิ่นเองก็โอ้เอาจังไลยคันว่าเฮ้ายู่อีกต่อไปเฮ้าก็บจิถิมสมบัติไว้ในแผ่นดิน น, น, นี่คือกันนี่แหละสิทธิฐานผลคืดแต่บ้านนี้ยคืดหาทางออกกันออกไปพเพราะว่าผลมีปัญญาเด้บรัลรมีของเพิ่นกันแกกล้าแล้วเพราะว่าเพิ่นสั่งสมบัลมีมากสี่อสงขไข่กาไลแสนมหากับ บําเพ็ญมาตังแต่ได้รับพยากรแต่พระเจ้าทีปังกรมั้งะได้รับพยากรวันนี้ล่ะสุมเมธาดาบดีนี่ละต่อไปไพ่ภาคนาจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตซื้อว่าโคตรมะโคตรรมะโคตพระบิดาซื้อจังสันพระม่านดาซื้อจังสันอัคคามเหสีซื้อจังสันลูกซื้อจังสัน พระสาวกส่ายขวาซื้อจังสันอุปถากซื้อจังสันน่พระพุทธเจ้าที่ปังกรเพิินพยากรไว้แล้วนะไปจากนั้นเนี่ยพระเจ้าสุมเมธาดาบดผู้นั้นก็เลยบ่มเพ่นมากเรื่อยๆจนสีอสงไขยกำไรแสนมหากรัมาเกิดให้พบนีชาตินี้นไปแต่ในช่วงที่พระพุทธเจ้าทีปังกรพรยากรจุดนั่นกับ น, น, า, น, า, นาศึกษาขึ้นกันนี่ย นาศึกษาในศัทธาของสุมเมธาดาบทสุมเมธาดาบทเนี่ไปเป็นฤๅษีอยู่ในปลาอาหารปลาอาหารคื อ, คอใบหมากเม่าเป็นอาหารมันไปแล้วก็มีชดาเพื่อมวยผมแล้วก็มีผ้าผมนะคือหนังเสือลงไปหนังเสือโค้งลไปอามาดนั่นแต่โลกอามา่าดหนังเสือตายนะมาเพร่ะก็มาเฮ็ดเป็นผ้านุ่ง ของรูสีคนไปสมัยนะ่ะมันหาผ่ายากเดชหาผ่าเปลือกไม่บางคนก็ได้ใช้ผ่าเปลือกไม่บางที่เเสือตายพ้นก็ไปทะลกอ่อนนังเสือมาเห็นผลาคนไปปลาในพ้นกัหอออกมาจากปลาเป็นได้ชาญโลกีคนไปชุมเมธาเนี่ยได้ชานโลกีมมลกห่อออกมาจากในปลามาเห็นไปชาช้อนเขากําลังทำถ่นหนดไปยี่ห้ามิสซ อ, องสิละ พระพุทธเจ้าอยู่ฝากอีกฝากเมืองคางหนึ่งวันไปตามปกติพันิยางออมมันไก่โพดไปอ่างยางอ่อมทงหน้าน่ะนางอ่อมทีเป็นลุ่มไปเป็นที่ลุ่มไปภายในประชาชนเขาก็เลยตัดเฮ็ดถนนม่านหมูวห่ว่านอะเฮ็ดแล้วยังนี้มอวหล่าหนมือเศ้าไปซ้าอีกแต่เศร้าไปไปเฮ็ดถนนให้มันซื้อเข้ามาในเมืองเลยเพื่อให้พระพุทธเจ้ากระพระสงเป็นหลายหมื่นองค์วันลไป อยู่ีน้นั่นน่ะสือขจัดเดชเขามาบินธบาตในกรุงมาในส ม, มเมตทานในห่อมาทั้งอากาศมาเห็นพี่น้องประชาชนทํางานยางขมักขเม็นว่ตั้งแต่เ้าเลยวนไะไปพอดมีจอบพอดมีเสียมพอดามีพัดหอบขีดินมาใช้ถนนนะไปส ม, มเมทานห่อมาทังอากาศมาเห็นมาเห็นเนาะพวกในเฮตถนุ น, น, นยังขึ้นยังขมักขเม่นน ผมมีผู้ใดยืนอยู่ซื่อๆันเอาอยู่ตึงตังตึงตัง ต, ง ต, งตังเอาอยางแข็มงวดเลยวันน่ะเพื่อเพื่อจะให้ท่านพระพุทธเจ้าบินธบัติสมเมธาเลยล่งมาจากอากาศพอลงมากเลยพวกท่านทั้งหลายเฮ็ดยังว่าันคื อ, อยังเฮ็ดถนนขึ้ยังเข้มแข็งถึงมือเหนือสันเขาบอกโอ้พระพุทธเจ้ายุทนั่นเลยโยโ่ฟาดไปเนี่นยนะพร้อมกับประสงค์ตั้งหลายเมืองลูกถึงแสน ว, สนวสันเลยเพืน่นทบินธบาติในเมืองนี่ ท่นไปทั้งพูดมันก็โค้งพธิเถอพวกเข้าเขตัดท่าไงมันซื้อเขอมอามานีอะไกันเขาไปทังเบืองเลยขั้นสั้นเสียให้ข้าเพจเจ้าซอยหม่องได้หรืมีวลาสันไทบ้านเขาเ็เห็นว่าลื่สีเป็นผูมีดลิดแมบวลาเป็นผูมีลิดมีเดดคือซีดินละมิตใไว้ว่ามากเลเขากคซ่เสื้อหม่องขีตมแล้วมันหายวันรไปเอาทัานลื่สีเอาหม่องหันวันฉันเขาวะลื่นสีเนี่ยก็ป้าขันเขาสีใส่ลิดใส่ลิด ใ, ใส่เดด มันก็บ่อใดบุญหลายหมดแล้วพอมันบ่อใดใส่แหงเลยต้องใส่แห้งเหมือนงา น, นิ้งเหมือนกันเลยลืสีกับมวนผมแด น, นแดนเลยก็ถทะลกหนังเสือออกแล้วก็จ้อนพาขึ้นเน็บเตี้ยวแล้วก็มักจกเอาเขึ้นกับเผาเราลไปเอาอยางขามักขเมันมามนเอาไปเพื่อทําถนนเพื่อพระพุทธเจ้าทีปังกรพ่อเฮเพชรไปเพชรไปไป่านี่มองลื่สีบอ่อแล้วบาดนี้่มองอื่นแล้วเราไป มองด้วีเนะี่ยย่งอยู่บ่ย่งอยู่หน่อยในเงวเดินไปมันบอ่อแล้วพระพุทธเจ้าก็จะด็ดมากพอดีกรรก็พร้อมกับพระสงฆ์มูญ ย, ยพ่อมาแล้วพระเจ้าฤื่สีนี่กัเห็นว่าท่างบอ่อแล้วขั้นว่าขั้นจีปอยลงไปพวกพุทธเจ้าก็ต้องเดีเหยียบขีดตมเก้าสองเก้าสะก้อ น, น, นก่อนพรยังจะขึ้นไปถึงมองที่มันแล้วนะไปลื่นสีชุเมท้าเลยกันนอนเหยียดเร็วหน่อยไปนอนเหยียดเป็นสะพาน ให้พระพุทธเจ้าใต่หลังเลยวันเราไปกับพระสงฆ์ท่านขออนุโมทพระพุทธองค์ไต้หลังของข้าพเจ้านะะี่ยข้าพเจ้าจะเป็นถอดสะพานขอพระองค์เหยียบหลังข้าพเจ้าไปเลยว่าจนะไหนคุณอ่ะขานาดนั้นเลยที่นี้พระพุทธเจ้าเขเลยเป็นยืนอยู่ทั้งหัวของฤาษีนะ่ะเพิ่นเขาเลยพยากรนะวันใคาบอกพยากรคือทำนาให้เลยวัานาไปดูก่อนพระสงฆ์ทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายนี่แหละสุมเมธาผู้นี่แหละดาบดผู้นี่ ต่อไปไพ่ภาคนาจากนีไปสีอสงไขยกำไลแสนกับจะได้เป็นพระพุทธจเจ้าองค์หนึ่งซื้อวะโคตมะโคตมะโคตรพระปิดาซื้อพระเจ้าจุฑโทธนะนั่งพมานดาซื้อสิริมหามายาอากคคะเมเหสีซื้อพิมพายโสทลาลูกชายซื้อพระล่าหุนอัคขะสาวกขวาภาษาเิบุตร อ克拉สาวกสายพระโมกขล่าอุปถากชื่อพระอานอ น, นท์แล้วก็ทํา่ายเปห่อนอุปถากหญิงอุปถากชายอุปถากหญิงทางฝ่ายครวตวิสาขาอุปถาชายฝ่ายโยมผู้ใช้อนาถาบิดีกะเสถียรต่อไปพ่ายภาคนาจะจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตจากนั้นพระพุทธเจ้าที่เหยียบหลังศิษย์ ลื้อสีไปบองยันใดบองหูจักในตำล่าเราไปพระสงฆ์ทั้งหลายลเดินรัดเข้าไปในเมืองนี่แหละตั้งแต่บัดนั่นมาสุมเมธะพวกนี้ก็บบําเพ็ญท่านศิลปภาวนาหลุ่มหลุ่มร้อนร้อนซุร้อนรอนสูงสูงต่ำต่ำเกิดเป็นชัตติรชานบัง่งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบัง่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินธรรมดาบัง่งเป็นเซนาอมาร์บ้างเป็นส้างม่างก็ค ว, วายหมูหมาเป็ดไก่เป็ดมัด บ่ได้เปลนแต่สัตว์บ่มีกระดูกกษัตริย์พันวาสัตว์บ่มีกระดูกคือปิ่งนี่พระพุทธเจ้าจะบ่ได้เปลีป่ยนมันออไปบ่ได้ใส่ศาสตร์เป็นปิ่งบมเป็นใส่เดือนหมดเป็นตัวบุ้งนี่กันว่าสัตว์ใดที่เป็นกระดูกพระพุทธเจ้าได้ใส่บ่ทุกทุกพบทุกชาติมันมานี่แหละพระพุทธเจ้าเพ้นใส่สาสตร์กษัตริย์่นวาตายแล้วบอสูตรหน้าตายแล้นนะวาาลเกิดอีกจากนั้นมาเพิ่งกันเนี่ยพ่อออกมากข้าวนี่เนี่ยบารมีพ้นบำเพ็ญมามากไหม้ได้บ่เนี่ย อย่างผัวเข้าท่านทั้งหลายบำเพ็ญท่านศีลภาวนาคึ้นมือล่ะบำเพ็ญกับพระพุทธเจ้าองค์นั้นแน่พระหรันชาวกอง์นั้นแน่บำเพ็ญตามลําพังแนะ่บำเพ็ญอยู่ในป่าหรืสีสี่ไพ่แนะ่มากมหมจนมาถึงข้าวนี่ยเต็มบริบูรณ์เต็มบริบูรณ์จะได้เกิดพลขึ้นไปสู่สวรรค์ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตกาลังจะขึ้นไปต่อสันสูงอีก เทวดาก็เลยถึงข้าวท่านแล้วขอท่านอราธนาลงมากเกิดจะได้ตัชรูดเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณถึงข้าวพระองค์แล้วเนะทวดาเลยกันลงมา ก, ก็มาเกิดนี่แหละกุ้งกรบินและพัดเนี่ยนะมาเกิดกับนั่งนีสลิมหามายาเนี่ยพระบิดาซื่อพระเจา้าพุตโธทนะเนี่ยพระองค์กับบาเพ็ญเรื่อยเลื่อ ย, อยวิ ช, ชาติต่างๆ บ่ได้ขาดตกบกพ่องพรบารมีเพิ่นแก่กล้าแล้วพอมาถึงอายุยี่สิบเก้าปีเพิ่นเกิดเห็นพนิจารณาเบิ่งแล้วอื้อเหตุจังไหนคนเฮ้าเกิดมาแล้วพี่ถราตายพเพิ่นเห็ุจังไหนสิโบตายเกิดมาแล้วต้องตายเห็ุจังไหนสิโบเกิดเหตุจังไหนสิโ บ, ต, บตายนี่แหละเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เกิดสรดสังเวชใจเพราะเหตุไรเพราะ มันบร ม, มนความสุขผู้ที่ตายไปแล้วก็หายเงียบไปผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นี่เกิเสียอกเสียใจร้องไห้น้ำตาไหลลิ่นหากันวนไปทั้งลูกทั้งพอทั้งแม่ปูยาตายแ ย, ย่เห็นแตะข้อนถกเฮ็ดยังไงสีบัวมากเกิดอีกเฮ็ดยังไงสีบัตายนี่ละพวกเร่เจ้าเพนนั่งคิดนอนคิดถ้าตามลําพังคณะว่าเฮาคิด เป็นคราวาาตัตเนี่ยโยมนี่งสิการบริหารจัดการประเทศชาติปกป้องประเทศชาติดูแลไ ป, ป่าประชาชนก็คงบน่มีเวลาที่จะมาคิดในรายละเอียดถึงขนาดนี้ได้มันต้องออกไปคิดตามลำพังสิทธาพญา น, น้เสศละหลาดจะ บ, บันลั่งออกหนียังมุอขึ้นกับหน้าชั้นนะคืนคีมาขันตะกะ หอตะบึงเลื่อนาไปไปถึงแม่น้ําอโนมาณทนะีก็เลยจอดทันเป็นว่าไก่จากกรุงกบินพัฒน์ขู่มือเนี่ยคมันขนยางนะ่ประมาณสองรอยกว่ากิโลเด้นเนี่ยเนี่ยเขาประมาณการว่าจากกรุงกบินพัฒน์ไปจนถึงจุดที่พระพุทธเจ้าขับน้าชนะบวชนะประมาณสองรอยกว่ากิโ ล, พ, ลพ่อลงหันเพ้นเขเลยทรงผนวด ก็บำเพ็ญอยู่ตังหกปีทดลองการเป็นอยู่ของพระ อ, องค์ทดลองการการบำเพ็ญของพระ อ, องค์ล่องพิษล่องถู ก, ท, กทุกอย่างไม่เห็นพุทธประวัติที่เพิ่นพูดในพุทธประวัติจนสลบถึงสามครั้งอะไรอดปะขยะอาหารทั้งสี่สิบเก้าวันอดอาหารก็อดเพื่อจะหาช่องทางจนวันเดือนหกเพ่นเนี่ย ได้สูตรสําเร็จมือหนันมันออกไปวันเดือนหกเพนเพระพระพุทธเจ้าได้ตัดสรูธัมม์สามอย่างได้ตัดสรูธัมม์าสามอย่างในคืนหนัดมันออกไปในคืนวันเดือนหกเพนปุบเพในวาสานุสติยานระลึกชาติทวนหลังได้จุดตูปปาตาญาณการจุติการเกิดการตายของสัตว์ก็หู้จักอีกมาจังไดมาเกิดนี่ออกจากนี่จะไปใส่พระพุทธเจ้าก็ไม่ญาณนัศน์หู้ วิถีทางเดินของใจของคนอีกแล้วก็อาสาวัคคยาญาณแล้วก็ชําระใจของพระ อ, องค์อีกเป็นหยังใจจนนี้ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัตฏสงสารเพมีทีสิ้นสุดมันเป็นเพราะเหตุใดมันมีเออย่างมันยังเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธ อ, องค์ก็รู้อีกชําระใจพระ อ, องค์อีกเพราะกิเลสกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสาโมหะผ้าเกิดพระองค์ก็เลยบําเพ็ญ ตัดกิเลสราคาโทษสามโมหะแต่ตัดสรูธรรมในวันเดือนหกเพ่นตอนใกล้สีแจ้งมันอาไปพระพุทธองค์กับประกาศเลยท่นเนี่าชาตินี่เป็นชาติชุดท้ทายของเฮาแล้วเฮาบ่เกิดอีกแล้วเฮาจะบ่มาเวียนวายตายเกิดอีกแล้วสิ่งที่พ่ายเกิดแั่เฮากําจัดออกจากใจของเฮาเลยออกจากพระไทยของเฮาแล้วใจของเฮาพระไทยของเฮาบริสุทธิ์รุดพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้ว เราจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นอนันตาการนี่แหละพระพุทธเจ้าพนในตัดชลูถ้มในวันเดือนหกเพ่นพนก็เลยบ้ามาเวียนว่ายตายเกิดมีแต่พวกเฮาทันทั้งหลายนี่แหละเดี๋ยวก็เผาพ น, พนเดี๋ยวก็จีผู้นันเดี๋ยวก็จีผู้นี่จีแล้วก็กร้องโหมร้องไห้น้ากันซีหาหกเจ็ดมื่นก็ลืมไปหัวเลาะแฮ่เฮเฮเอาเรามากกอกลืมไปเอาไปมากพนตายหายน้ากันอีก หายน้ำกันกับเช็ดน้ำตาคือพวกปั่นเด็กหน่อยมันไปแต่มันโมเมนเล็กหน่อยเนียผู้ใหญ่คาับท้งหัวงอกหัวขาวมันไปหาน้ำกัดมันไปบ่ขึ้นว่าเจ้าของที่ตายสักหน่อยอมันไปเจ้าของที่ตายแถวๆมันไปไปหาหายหน้ำผู้อื่นมันไปคึ้นปังคาคับนะที่หลวงพ่อบอกนะบอกให้ขึดด้นเนี่ยเคสยังไงบ่เนี้หลวงพ่อขึ้นแล้วเนี่าต่างอยู่ในความประมาทเนอะผู้พุดใเจ้าสอนนะไอ้บำเพ็ญไว้ ให้รักษาศีลพวนาบ่มเพ่นไว้ยังพระโทธเจ้าเพิ่นผ้าบ่มเพ่นมากนะ่ยซีอสงไขยกำไรแสนมหากรับนะ่ะนั่นแหะเพิ่นบ่มเพ่นพวกเขาเนี่ครบบ่มเพ่นขึ้นกันเนี่ยทีมากให้ท่านรักษาศีลอยู่ในป่าหลงพงไพ่หินกัดยุ่งกินนี่ยเสียงไผ่อันตรายอยู่ในป่าหลงพงไผ่เนี่ยล้วนแล้วจะเป็นการบ่มเพ่นทั้งนั้นบ่มเพ่นทั้งด้านจิตทั้งด้านใจต่อไปบา ร, รมีของเฮาแก่กาขึ้นมากเฮาก็จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล ยังที่พระพุทธเจ้าพระทหารสาวกเป็นภาพบำเพ็ญมาเนี่ย น, นะเพราะนั้นพวกเขาทั้งหลายนี่ย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้ละลึกถึงคุณงามความดีไปเน่ยเกิดมาใ น, นยังทิวานี่ย น, นะพญามัจจุราชกับพระญายิจตาราชนี่แข่งชิงดีชิงเด่นกันอยู่พญายิจตลาลัดพยายามปกคล้องกายยศกายยนครของเจ้าของทุกวิถีทางมันออกไปส่วนพระญามัจจุราชเนี่ย ทรงทหารเขามา้าทหารพระยาธิมลนาวันออกไปเขามาตีชิงกายยนครผลให้ช่วกันั่นแหะพญาจิตตลาดเนี่ยอมแพ้ถอยทัพทุกขังวันออกไปพญาบรรจุราชนี่เข้มแข็งกว่าวันไปเพราะฉะนั้นเหตุจังใดสิลบหนีจากพญามัจจุราชได้พญาม่านได้พระพุทธเจ้าเป็นว่ามีช่องทางเนะ้อ นี่แหะอย่างที่เฮาประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยนะมีช่องทางเนี่ยนะพระพุทธเจาเ้าพนตรัตชรูถ้มวันเดือนหกเพ่นเป็นช่องทางที่พวกเฮาจะต้องศึกษาและจากนั้นก็นได้นําประพฤติปฏิบัติแต่เมื่อพวกเขานํามาประพฤติปฏิบัติแล้วนั่นแหละความลดพ้นจากอาสวะกิเลสอยู่ในใจของพวกเฮาทันทั้งหลายเป็นพระอรหรันต์ผูดง่ายๆนะต่อไปรับพรในเสน่้์ อ, อนุโมทนาให้พร